ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเชีงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของไต้ร um ่มโพริบดคนถ้าเราจะไปฟังหัวข้อธรรมในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสังาวัตถุสีรรมาทาจิตให้สงบกันสักก่อนทุวันให้สงบเพื่อที่เราจะได้เข้าใจประเด็น อยากแยกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างทําความเข้าใจในหลึกซึ้งได้เราไปทําจิตให้สงบแต่วันนี้เรามาดูลมหายใจกันท่านผู้ฟังให้ยใจเข้าให้ใชจออกเราหายใจอยู่เป็นประชามอยู่แล้วทุกวันมันผู้ไร้ทุกวันมันทุกนาทีนะ่ะทุกชั่วโมงทุกนาทีต้องหายใจหน้าที่ไหนแม่หายใจเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วถ้ต่อกันสองสามนาทีเริ่มมีปัญหาละ แต่มีโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหายใจไม่คล่องไม่ไมไมสิบวปกมันอดัดนะหายใจทุกนาทีอยู่แล้วคำถามก็คือว่าทุกนาทีที่เราหายใจหายใจเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเนี่เราชีวิตเราสั้นลงไปลมหนึ่งลมหนึ่งนะคำถามคือว่าไอจะทำไงให้จิตใจของเราเนี่ยมันฆ่ากายเข้าสู่ความตายจิตใจจะทำไงให้ไม่ตายได้ได้ทุกวันจิตเข้าถึงความไม่ตายได้ เป็นนามตะได้ตั้งสติไว้ก่อนก็เริ่มขึ้นตร ง, งมีลมหายใจใหายใ่เข้าหายใจออกให้มีสติอยู่ในลมโดยไม่ตามลมสติไปถึงความระลึกได้ระลึกถึงลมนั่นแหละสติไปถึงการกําหนดดูเราก็มากําหนดรู้อยู่ลมนั่นแหละสติไปถึงการสังเกตเราก็มาสังเกตที่ลมนี่แหละ สังเกตยังไงสังเกตที่ลมก็เหมือนคุณดูนาฬิกาคุณดูเอกสารคุณดูสิ่งของนั่นนี่นะแว้วเราไปมองดูปุ๊บเราก็ต้องสังเกตดูอย่เวละแต่คราวนี้แต่ที่เราจะมาดูลมแบบว่าใช้ตาดูว่ามลมจะไปเห็นยังไงใช้การสัมผัสดูจุดไหนที่เราสัมผัสถึงลมให้ใช้ได้ให้ใช้แรงดูสองสาครั้ง อยู่ในประงค์จมูกตรงไหนรับรู้ได้ตรงไหนเอาจิตของเราจุดจ่อสังเกตไว้ตรงนั้นสังเกตจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัตยของลมเวลาที่เราหายใจแรงๆสักสองสาครั้งให้มันได้หายใจแรงๆสองสามครั้งรับรู้จุดนั้นได้แล้วให้ใหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปตั้งจิตของเราสังเกตดูนะที่ตำแหน่ง น, นี้ปกติแล้วมันก็จะเป็นจุดที่เรารับกลิ่น อยู่ตรงบริเวณกลงกลางโพรงจมูสังเกตดูลมไม่ต้องตามลมสังเกตดูเฉยเฉยเหมือนยามที่เขาอยู่ในป้อมยามยามที่อยู่ในป้อมยามสังเกตดูคนเข้าคนออกอย่างไรไม่ตามก็้ปไปอย่างไรเราก็สังเกตดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนั้นเหมือนกันทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกร็งร่างกาย ไม่ต้องบังคับลมเร็วชา้าสั้นยาวจีห่างแรงค่อยเราก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าจะต้องคิดหรือไม่คิดจะคิดไม่คิดไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้มีสังเกตลมกันละกันคิดกว่าหเห็นลมไม่คิดก็เห็นลมสังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจทํอยู่เป็นธรรมชาติกุมฟัง จิตเราเมื่อตั้งสติไว้จะสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เมื่อมีสัมมาสติแล้วจะทำสัมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้ทำไมเพราะว่าเราสังเกตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งระวงังจิตขอเราที่มันจะเพลินไปตามสิ่งต่างๆมันจะลดลงเพลินไปเพลอไปจะลดลงระ ง, งับลงพอระ ง, งับลงระ ง, งับลงแล้ว ความเป็นอารมณ์เดียวก็จะเกิดขึ้นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นคือสมาธินั่นเองแต่เรารักษาจิตที่มีสมาธิตั้งไว้อยู่อย่างนี้ให้ดีเอาล่ะทุกผฟังหลังจากที่เราได้ทําจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทําความเข้าใจในหัวข้อของธรรมะ วันนี้จะนำเสนอหมวดธรรมะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเบสิคเบสิคเป็นพื้นฐานแต่ว่าจริงๆแล้วมีความสําคัญในการที่จะให้เกิดความสามคัคคีเป็นการที่จะให้เกิดความประสานกันเป็นความที่จะให้เกิดความเข้าใจกันลงกันได้สามารถที่จะนําไปใช้ไม่ว่าจะในเรื่องของการปกครอง เรื่องการประสานประโยชน์เรื่องการให้มีความสมัครใในครอบครัวหมู่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนในชีวิตประจำวันของเราเมื่อทําที่ว่า น, นี้คือเรื่องของสังขาวัตถุสี่ธรรมุฟังสังขาวัตถุสี่ได้แก่ทานปิยว า, าจาคือการพูดจาที่ พอใจน่ารักให้เกิดความอ่อนหวาน 3. คืออัตจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. ่เรื่องของการมีตนเสมอสม่ำเสมอในทั้งสข้อนี้ท่านผู้ฟังยกเป็นหัวข้อเบือตนไปก่อนนะก่อนที่ข้าพเจ้าจะแจกแจงลงไปในรายละเอียดอย่าใช้ทำความเข้าใจในส่วนต่างซะก่อนว่า จริงๆแล้วการจะยึดเหนี่ยวกันการที่จะให้เกิดความรักใคร่พอใจประสานประโยชน์มีความสมกีกันเนี่ยมันได้หลายทางในทางตรงข้ามเลยก่อนที่ทํทำไม่ใช่ทำมาเนี่ยนะทหารขร้ราชการบริษัทเขาอยู่กันได้ไงก็ถ้าเป็นรูปบทหารนี่ก็คือมีอาญาศาตราลับ ระบบราชการนี่เป็นกันอา ญ, ญาศาสตร์ในลักษณะที่ว่าก็ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาก็สั่งลูกน้องได้ปราไรเพราะว่ามีกฎบทลงโทษอยู่ไงแต่สมมุติว่าทำผิดถูกลงโทษนะเออถูกลงโทษนี่เป็นสาตราหรือมีอำนาจทางการเงินเราเชิญจ้างเธอเธอต้องทำตามนะ ในปัจจุบันนี้เขาก็มีระบบการจ้างงานการจ้างงานนี่ก็ถือว่าเป็นการให้อย่างหนึ่งละเก็ยังดีกว่าระบบทาสระบบทาสนี่คือถูกบังคับถูกบังคับด้วยอาญาคือกูถูกบังคับด้วยศาตราคือลงโทษทีนี้พอเดี๋ยวนี้ก็มีระบบการให้ขึ้นมาก็เลยทําให้แบบว่าอ่ะอยู่กันได้เป็นไปตามหลักธรรมของพระบุรุษเจ้า สอดคล้องกับเพิ่มขึ้นมาข้อหนึ่งคือเรื่องการให้ค่าจ้างแรงงานาดูมีความยุติธรรมไม่เหมือนระบบทาสอันนี้คือด้วยการกู่ด้วยการใช้อายาสตราส่วนสุดโตอีกข้า ง, งที่เราการเปรียบเทียบส่วนต่างกับเรื่องของสังข awa ถุสีก็คือทำให้เกิดความรักแบบกำนัดยินดีด้วยกาม เช่นชายหนุ่มกับหญิงสาวเขาจะให้เกิดความรักความพอใจกันเนีทําำยังไงเอกฝ่ายชายก็จะต้องแบบหลอท่าทางหน้าตาแบบนี้นะผู้หญิงชอบหนุ่มตี๋ตี๋เอาฝ่ายชายก็ถ้าหน้าตามันตี๋ตีเนี่ยแหมก็ชอบนะเออให้เกิดความรักความพอใจฝ่ายหญิงจะให้ฝ่ายชายชอบทำยังไง เราจะฝ่ายชายชอบคุณชวดทรงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้สีผิวอย่างนี้ถ้าฝ่ายหญิงมีสเปกตรง ก, กันกับของฝ่ายชายอองก็ชอบพอกันนี่คือเรื่องของกาบไงเรื่องของกาบเนี่ยให้เกิดการที่ว่าชายหญิงสองคนนี้ชอบพอกันแล้วก็จึงแต่งงานกันอยู่ด้วยกันใช้รูปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจไงใช้รูปเป็นลักษณะที่ว่าให้อีก ฝ่ายหนึ่งพอใจตกลงกันได้อยู่กันได้เรื่องของรูปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกลามผู้หญิงในพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีรูปเป็นกําลังคือรูปร่างหน้าตาความสวยงามในขณะที่ฝ่ายชายก็มีกําลังทางร่างกายเป็นกําลังกําลังทางร่างกายนี่ก็หมายถึงการใช้อายาใช้สตรา ย, ย่างี่วา อันนี้คือสุดตรงที่ไม่ถูกทั้งสองอย่างที่เราไม่ควรเอามาใช้ในการที่จะประสานประโยชน์ให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความพอใจให้เกิดความรักใคร่ให้เกิดความสงเคราะห์กันสิ่งที่ควรจะเป็นคือใช้สังฆวัตถุสีหัวก่อนนี้รายเรียตามที่ว่ามาแล้ว ยกเปรียบเ ท, ที่บส่วนต่างให้ท่าผูฟังดูขอนมีปัญหา ย, ยัางไงถ้าสมมติว่าเราใช้เรื่องรูปเรื่องการมาเป็นตัวล่อหรือใช้เรื่องอาญาศาสตราใช้กำลังทางกายมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะลงโทษกันด่ากันได้อยู่นะแต่มันได้ไม่นานดูสิระบบทาต ทำไมเขาถึงต้องยกเลิกไปใช่ไหมละ่ะหรือหน่วยงานไหนอ่ะคุณนบางทีให้เงินเดือนแต่ให้ไม่คู้หมาย ห, หน่อยล้วก็บังคับขู่เข็นด่าว่าจิกหัวใชโอ้อยู่กันไม่ได้นะอยู่ก็ได้ไม่นานอดทนกันได้ยุ่แต่แบบอาจจะไม่นานหรือแม้แต่ให้เกิดความรักความพอใช้ด้วยเรื่องของกามเรื่นี้มันก็ไม่ใช่เฉพาะชายกับหญิงแหละที่เขาจะแบบชอบพอกัน ก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น LGBTQ lesbian ก็มีเกย์ก็มีเอาชายก็ชอบชายได้โอหญิงก็ชอบหญิงได้ชายแบบนี้ก็ชอบหญิงอีกแบบนั้นเพราะว่าถ้าจะเป็นความคู่กันเนะี่ยแล้วใช้รูปมาในการที่ใ้อีกฝ่ายหนึ่งเขาพอใจเขารักใกล้เขาอยู่ด้วยกันได้ถ้าจะใช้รูปจะมีปัญหาอะไร ปัญามันกคือรูปมันไม่ได้จะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเราดูได้เลยําำว่าสามีภรรยาคู่ไหนนะที่ถ้าแปดว่ารักกันด้วยเรื่องของรูปแล้วเนี่ยอยู่กันไม่ยืดอย่างนี้แล้วกันอยู่กันไม่ยืดถ้าแปลว่าฝ่ายหนึ่งรูปร่างเปลีป่ยนแปลงไปอาเคสของฝ่ายหญิงเวลามีลูกไปแล้วหนึ่งคนสองคนเนี่ย รูปร่างยังไงก็ไม่เหมือนเดิมตอนทีคุณจะฟิตคุณขนาดไหนทํำอะไรไงคือในความเปลี่ยนแปล ง, ปลงในทางกายของฝ่ายหญิงก็ทราบอยู่ก็ไม่เหมือนเดิมฝ่ายชายอาจจะดูไม่ออกแต่ว่ามันก็รู้อยู่ว่ า, วาไม่เหมือนเดิมอาจจะพูดได้อยู่ว่าโอ้คุณเหมือนตอนนี่ยังไม่ได้คลอดเลยยังไม่ได้แต่งงานกันเลยเหมือนตอนจีบใหม่ๆกันเลยแต่วความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่แน่นอนแล้วที่ถ้าอยู่กันได้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะรูปหรอก อที่ว่าผู้ชมเขาเนี่คือเป็นปญยาวาจาท่างหากอา่านึ่งก็ไปหลักของสังขปุสีไงเออเลยทำใม้อยู่กันได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องรูปอย่างเดียวไม่มีทางถ้าจะเป็นเรื่อ ง, องความสวยงามอย่างเดียวนี่มันจะอยู่กันไม่ยืดอยู่กันได้ยังมอข้าวไม่ทันดำอะ่ะก็ต้องเลิกรากันไปแต่ถ้าจะอยู่กันได้มันต้องมีองค์ประกอบของสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างแน่นอน เราอาจจะเห็นพวกดาราที่เขาสวยๆรอๆใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่กันไปได้จนยืดยาวลองไปสอบถามอินด v วิวสัมภาษณ์ดูเนี่ยเราจะพบว่าเออเขาไม่ได้เฉพาะเรื่องรูปอย่างเดียวที่ทำให้เขาอยู่กันได้ น, นิสัยมันก็ต้องเข้ากันลงกันมีความเอื้อเฟือ้อประโยชน์กันเป็นอัตุริยาฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ต้องมีความสเสมอต้นสเสมอปลาย อาจจะปิดพลาดไปเราก็ปรับตัวให้มันมาตรงกันในลักษณะงความดีผู้หญิงการผู้จายนี้สำคัญเลยต้องมีพูดแล้วไม่กระทบกระเทือนจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนต้องมีองค์ประกอบในสังควะวัตถุสีอยู่แน่นอนองค์กรไม่ว่าจะตั้งแต่ชีวิตกู้่ขยับมาเป็นครอบกรัวพี่น้อง ขยับมาเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขยับมาเป็นในจังหวัดในประเทศนี่จะอยู่กันให้มีความสามัคคีกันลงกันเข้าใจกันประสานประโยชน์กันได้ต้องมีสังกัดวัตถุสีนี้เรามาเปรียบเทียบดูในสนถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยช่วงในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานี้ เอ่ที่ว่าอยากเป็นฝ่ายนั้นแลกับฝ่ายนี้เริ่มจากสีนั้นแล้วกัสีนี้ก่อ น, นเอ่ที่ว่ามันไม่ลงกันได้นี่มันแ น, น, น่นอนเลยไม่มีปียาวาชาใช่ปะพูดจาที่มแทงกันพูดจาแดกดันกันด่ากันยกเรื่องไม่จริงขึ้นมาพูดบ้างนี่มันก็เลยทําให้มันไม่ลงกันสามัคคีกันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะออกกฎหมายฉบับไหนก็ตามนะ ถ้ากฎหมายนี่มันไม่ได้มามีส่วนของสี่ข้อนี้อยู่นี่ในเรื่องขอสังฆะวัตถุสีมันก็ต้องได้แตกกันอยู่ดีเพราะว่ากฎหมายนี่เป็นเรื่องของอาญากฎหมายเนี่ยขู่เอาไว้ไงว่าถ้าไม่ทํานะจะโดนถูกสาตราคือลงโทษแบบนี้แบบนี้ถ้าทํานะก็จะได้คุณอย่างนี้อย่างนี้เป็นลักษณะที่ขู่ไว้ก่อนนั่นคือกฎหมาย เป็นลักษณะที่เป็นของอาญาคือมีการบทลงโทษต่างๆอาญาสตรามจะให้รักษากันให้อยู่กันได้อย่างที่ว่าว่ามันตรงข้ามกันกับเรื่องของสังขาวัตถุสีเลยเอาลองเปรียบเทียบปรับมุมใหม่ดูก็ได้วหมถ้าประเทศเราอะไรมาจากแบบสังคมใหญ่เล ย, เยมีการให้กันแบ่งปันกันใช่ไหมโอเคแล้วก็มีเรื่องปิยบ า, าจานะการ ผู้ใาดีๆให้กันใช่ไมไม่พูดทิมแดงกันไม่ด่ากันไม่ประชดประชันกันมีการบริบประโยชน์ให้กันคนมีความสามารถก็ช่วยคนมีความสามารถน้อยคนมีความสามารถด้านนี้ก็ช่วยคนที่มีความสามารถด้านโน้นเสมอต้นเสมอปลายด้วยคือหน้ากับหลังมีตรงกันไม่หน้าอย่างหลังอย่างอธิบมีความสามาัคคีแน่นอนไม่ต้องเอากฎหมายฉบับไหนเลย ไม่ต้องมีมาตรการอย่างใดเลยขอมีสีข้อเนี้ยตั้งแต่มาระดับโลกระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับจังหวัดระดับหมู่บ้านจนถึงระดับครอบครัวระหว่างแค่สามีภรรยาพี่น้องสามารถที่จะประสานประโยชน์ให้เกิดความสามัคคี กร่จัดความขัดแยง้งให้เกิดความเป็นธรรมรักษากลุ่มก้อนรักษาบริษัทรักษาครอบครัวหมู่บ้านชุมชนประเทศนั้นเอาไว้ได้นะหนูฟังเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากระดับประเทศหรือถึงระดับระหว่างประเทศกันเลยทีเดียวมาดูอย่างระหว่างประเทศเช่นในยุโรปเนี่ยเป็นต้นก็ได้ แอฟริกาเป็นต้นก็ได้ประเทศนี้หรืประเทศนั้นเ อ, อ่อทำไมเขาไม่ถูกกันนะหรือทําไมเขาถึงจะถูกกันได้นะแน่นอนเราไปดูเลยสีข้อนี้ที่ว่าจะไม่ถูกกันเนี่ยมันต้องมีสีข้อนี้ที่หลุดในข้อใดข้อหนึ่งกลุ่มคนในประเทศนั่นคนากลุ่มคนในประเทศนี้อ่าไม่มีปิยาวาจาละกลุ่มคนในประเทศหนึ่งก็เอาเปรียบกลุ่มคนในประเทศนอนไม่มีอัธยจริยาละมีความไม่เสมอกันละ มันก็เลยแตกกันไงมันก็เลยทะเลาะกันระหว่างประเทศก็ทะเลาะกันแล้วเราลองดูระหว่างประเทศไหนที่เขาสามัคคีกันน่ยเขาลงกันช่วยเหลือกันเอาเอารัสเซียกับเบรรุสสิงห์เป็นต้น เ, เขาก็มีการให้ทานกันมาก่อนเออเขาช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านอาหารบ้างน่นยุโทโธปกรณ์บ้างเอารัสเซียกับยูเครนทไมเขาแตกกันนะนี่มันตีตนวางตนไม่เสมอกันละ่ะ ไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ประติประโยชน์มันก็อยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยจึงใช้ได้หมดนะทุกฝั่งนะตั้งแต่ระดับเล็กๆจนถึงขึ้นไปถึงระดับหมาภาคทั้งหมดเลยจากระดับหมาภากทั้งหมดจนมาถึงระดับเล็กๆทั้งหมดเลยตัวเราเองคนข้างๆแก่ชีวิตคู่ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญครับท่านําเรื่องนี้มาย้ํา จริงๆแล้วก็ได้พูดไว้ครั้งหนึ่งแต่บอกว่ามันมีประเด็นอื่นรูมด้วยนะในข้ อ, ขอเรื่องของมงคลชีวิตมงคลในส่วนของการทรงเรา์ บ, บุตรปรยาเนี่ยได้พูดไปนิดหนึ่งว่าสรงเคราะ์นี่ก็โดยสังฆวัตถุสี่ใช่ไหมแล้วยังจะมีเรื่องเกี่ยวกับบุตรปรยาสามีในเรื่องของทิศทั้งหเข้ามาแจมด้วยซึ่งยังไม่ได้วิเคราะห์ให้ชัดเจนเต็มที่ เหมือนอย่างที่ทำในวันนี้วันนี้จึงเอาประเด็นเรื่องที่สังคัวัตถุสีนี้เปรียบเทียบส่วนต่างให้ดูระหว่างการใช้อญญายาสัตร์และก็การใช้ความรักใกล่พอใจในทางการว่าให้เห็นส่วนต่างวันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่สองคือสามารถนำสังควัตถุสีนี้มาใช้ได้ตั้งแต่ระดับเล็กๆระหว่างบุคคล จนถึงระดับมหาภาคระหว่างประเทศกันเลยทีเดียวต่มาทุกฝั่ ง, งเราจะทำความเข้าใจในทีละรายละเอียดละของหัวข้อที่ยกขึ้นในวันนี้คือสังาวัตถุสีฟังดูพื้นฐานนะคือแบบเรื่องการสงครากันเออแต่ว่าความหมายนี่มันมีกว้างขวางออกไปนะเรามาดูรายละเอียดแต่ละข้อกันทุกฝั่ ง, งในข้อแรกที่ พระพุทธชาติันยกขึ้นเอาไว้คือเรื่องของฐานทานหมายถึงการเสียสลับการแบ่งปันการให้การเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดง่ายคือให้สิ่งของหน่อช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของลองพูดถึงการแต่เรียบเทียบส่วนต่างก่อนก็คือติดสินบนอย่างนี้ก็ได้สมมติเราติดสินบนจนนทีใช่ปะ มันก็ต้องมีการให้ทำไมเขาถึงทําตามเราก็าถึงพอใจเราเขาถึงบบว่ายินดีจะช่วยเหลือละ่คะคำว่าติดสินบนเนี่ยมันก็คือการให้อย่างหนึ่งนั่นแหละในรูปแบบหนึ่งที่มันไม่ถูกหลักแต่หลักเกณฑ์มันคือการให้คนที่ให้สินบนก็เป็นผู้ให้คนที่รับสินบนก็เป็นผู้รับพอมีผู้ให้ผู้รับและมีสิ่งของเมื่อไหร่นะ หุมเลยองประกอบครบสมอย่างละความสมควรกันจึงมีละความประสานประโยชน์ไปได้จึงมีละเพือพอมีการประสานประโยชน์ไปได้ปุ๊บจิตใจมันก็จึงแบบว่ า, าพอใจกันยึดเหนี่ยวกันไว้ได้ผู้ให้กับผู้รับนี่คือถ้าเรามองจากมุมของหลักธรรมนะทุงฝั่งมันคือเรื่องของฐานเฉยๆเบสิกใช่ไหมถ้ามองจากมุมในเรื่องของกฎหมายการให้แบบนี้เรียว่าการติดสินบน เราไม่ถูกหลักการถูกหลักทำอยู่แต่ไม่ถูกหลักกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้ถูกทั้งสองหลักการคือหลักทำด้วยหลักกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้ในลักษณะที่กฎหมายเข้าจะอนุญาตเพื่อให้เกิดความประสานสมรรถกันไว้ได้ในขณะเดียวกันก็ทําให้มันถูกกฎหมายด้วยแต่กฎหมายบอกว่ารับได้อยู่แต่รับเท่านี้หรือห้ามรับเกินเท่านี้ รับสิ่งนี้ได้สิ่งนี้ไม่ได้เงี้ยโตก็เป็นลักษณะที่บอกว่าเป็นการให้ก็จะสอดคล้องทั้งหลักธรรมเพื่อหลักกฎหมายด้วยไม่เรียกว่าเป็นการติดสินบนหรือว่าในครอบครัวสามีซื้ออะไรมาฝากภรรยาหรือภระยาซื้ออะไรมาฝากสามีเฮ้ยมันรู้สึกดีใจเหมือนกันนะหรือเพื่อนหัวหน้า ไปต่างจังหวัดต่างประเทศซื้ออะไรมาฝากลูกน้องฝากเพื่อนเออก็รู้สึกดีใจนะเราเป็นผู้รับสิ่งของเออเราก็ดีใจนะพอใจใช่ไหมคนให้มีจิตมีน้ำใจแบ่งปันเอื้อเฟือ้อมีสิ่งของให้เออมันจึงเกิดทานขึ้นมีทานเกิดขึ้นตรงไหนนะทูฟังมีองค์ประกอบแห่งการประสานประโยชน์กันอยู่ที่นั่นแน่นอน เราดูลักษณะของการทํางานในระบบการงานในระบบการค้าขายไม่ว่าจะเรื่องเทรดดิ้งเรื่องการจ้างงานจะมีการที่แลกเปลี่ยนเจ้าพวกเงินทองนั่นหมายถึงมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันแน่นอนนี่คือมองจากมุมมองของหลักทรรมกว่านะั้นทั้งว่างนะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ว่เอ๊ะบางทีด้วยลักษณะของ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างกันนะ่ะถ้าผมว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวคือทานไปไม่ได้เอามันก็เลยแตกกันไงแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวกันหมายถึงเรื่องของทานใช่ปะเออฉันให้เงินเธอเท่านี้นะแล้วเธอก็ทํางานให้ฉันอย่างนี้นะเออมันสอดคล้องกับเรื่องนี้เลยนะเธอทํางานให้ฉันอย่างนี้ฉันให้เงินเธอเท่านี้ มีผลประโยชน์ร่วมกันลงกัะไดมีการได้เปลี่ยนสิ่งของในที่นี้คือเงินบ้างการบริการบ้างหรือสินค้าบ้างมันก็จึงจะไม่มีการสงครากันน่ะมันก็จึงอยู่กันได้ไงเพราะฉะนั้นคู่ค้าทางธุรกิจเนี่ยถ้าคุณจะบอกทางการเมืองว่าเออเนี่ยฉันไม่ชอบประเทศเธอแต่ก็ยังค้าขายกันอยู่ใช่ปะยังไงมันยังมีเครื่องยึดเหนี่ยวใจใจกันอยู่ยังมีเครื่องประสานกันอยู่ จะอาศัยตรงนี้คลิกผันให้เกิดความสามัคคีลงกันปรับเปลี่ยนต่างๆพอได้ยนันเป็นหนึ่งในหลักการคือเรื่องของฐานตีจอดลึกลงมาในส่วนของฐานอีกหนึ่งหนึังว่างว่าถ้าจะให้แบบว่าเกิดความถูกต้องให้มันบริสุทธิ์เต็มที่เลยสิ่งของที่เราเอามาให้ก็ต้องประกอบด้วยความชุ่จริตนะเออไม่ใช่ว่าโกงเข้ามาหรือขโมยมา หรือทาผิดหลักทำโดยความทุจริตอย่างเรียงหนึ่งแล้วให้เกิดการให้การแบ่งปันอันนี้ไม่ดีย่ะในอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการให้ก็คือว่าคือให้แบบให้เปล่าก็มีให้แบบแลกเปลี่ยนก็มีให้ที่แบบแลกเปลี่ยนก็คือลักษณะที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามีการจ้างงานแล้วก็คุณก็ทํางานตอบแทนสิ่งที่จ้างนั้น หรือว่ามีการแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นการซื้อการขายตกลง ก, งกันมันก็เป็นการซื้อของใช่ไหมเป็นการค้าขายเป็นการจ้างงานแต่อีกแก่นมุมหนึ่งของทานนี่คือให้แบบให้เปล่าไม่ได้หวังอะไรตอบแทนให้แบบเพื่อเกิดความประสานประโยชน์เป็นสังขา ว, วัตถุสีไม่ได้บอกบอกว่ า, วาเออเพอใช่แล้วฝ่ายนู้นต้นทําอะไรให้ต อ, ตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้ให้แบบนี้ก็มี แต่ลักษณะที่ว่าไม่หวังอะไรตอบแทนเนี่ยก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปไงทุกฝั่งทำให้การประสานประโยชน์มันแน่งแฟนมากกว่าสมหรับการซื้อขายหรือการจ้างงานเนี้ลูกจ้างไม่พอใจเงินเดือนใช่ไหมเฮ้ยนี่มันให้เงินเดือนน้อยกว่างานที่ให้งานที่ทำปอก็ไม่พอใจไอ้ประโยชน์ที่ประสานกันไว้ด้วยฐานนั้นมันก็เบาบางมีอํานาจน้อย ก็หล อ, อกหล อ, อกพุทกว่าแต่กันไม่สมัมเกี่ยงละหรือซื้อของขายของซื้อของครั้งหนึ่งเราปรากฏว่าเรารู้สึกว่าราคานี่มันได้ไม่สมกับคุณภาพหรือบริการที่เราได้มานะเออก็ทำให้มันไม่ยึดเหนี่ยวกันไม่ได้เออแต่ว่าถ้าบอกว่ารู้สึกว่าคุ้มค่านะคุ้มเงินที่จ้างคุ้มงานที่ทําคุ้มของที่ได้ คุ้มบริการที่ให้ความแน่นแฟน้นการประกอบกันกันสมคราะกันนี้การลงกันได้เนี่ยมันก็อยู่มันต่อไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆพอมีความคุ้นชินทางด้านอื่นๆถึงพอมีการค้าขายกันละมีการช่างงานกันละก็มีเรื่องของปิยาวาจาเข้ามาด้วยเรื่องของการปร ะ, รปประโยชน์เข้ามาด้วยมีการให้แบบอื่นที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนล่ะเนี่ยยิ่งจะไม่มีความหูกพัน จะไม่มีความลงกันมากดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าบอะว่าทานให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนยิ่งจะมีการประชานประโยชน์มีความผูกพันเป็นมากขึ้นตอนที่จะอธิบายถึงหัวข้อต่อไปทุกฝั่งในคําว่าผูกพันอยากจะพูดตรงนี้ในหนึ่งเพราะว่าถ้าบอกว่าเราผูกพันกันด้วยเรื่องของการมใช่ไหมผูกพันกันด้วยเรื่องของ ความสวยงามมนนี่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่เอาแต่ถ้าสมมว่าเรามีสังเวัตถุสีเราทําอะไรต่างๆดีแล้วโอ้คนนี้ก็เป็นคนดีจริงๆแล้วผูกพันกับคนนั้นเวลาที่ถ้าสมมว่าคนนั้นมีการเปลี่ ải, ยนแปลงไปเช่นตายไปหรือว่าเอาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยในความภูกพันนี้อาจจะไม่ห้เเจ็บได้นะเจ็ดไดนะ้ดดนี่คืหมายความว่ามันจะไม่พอมีความผูกันเกิดขึ้นที่ชีวิตของเราแล้ว บุคคลนั้นตายไปเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นมันจะเจบจีขึ้นมานีลนักษณะของความสะดุ้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกที่เป็นธรรมดานะเห็นเป็นธรรมดาก็ไม่แต่พระอรหรันตนาคามีจนถึงสรบนเวลาได้ฟังธมะจากพระพุทธเจ้าแล้วโรักพระพุทธเจ้ามีความผูกพักับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจาประเด็นนี้ผ่านจากไปไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะ เสียใจอยู่หรือป่ามีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาไว้ได้เพราะอะไรเพราะว่าสติสัมปชัญญะเราเปรียบเทียบว่าถ้ามีความผูกพันที่อาศัยเรื่องของการมอาศัยเรื่องของผลประโยชน์พอมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ป่ามันจะเจ็บแล้วก็ไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะพลาดรักษาจิตไม่ได้ ก็จะกข้าไปหาเรื่องการอื่นต่อไปกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเสียใจร้องไห้ภูมิไฟทำงานไม่ได้ตั้งแต่ความผูกพันที่ขาดสติสัมปชัญญะเผลอไปทีนี้ถ้าเราเรามีความผูกพันด้วยด้วยหลักธรรมอย่างอื่นหล่อเลี้ยงอยู่นี่มันเจ็บอยู่ก็จริงแต่ว่าความเจ็บคือเวทนานั้นมีสติสัมปชัญญะรักษาไม่ได้ไปหาเรื่องของการมมันยังดีไงท่านหวังไม่มีความผูกพัน ความสามัคคีกันลงกันสามารถที่จะชันทํางานจกระทําต่อไปเสียใจชันก็ยังระงับเวทนาได้ไม่ได้ฟูมไฟจนหนึ่งทําอะไรไม่ได้ด้วยลักษณะของธรรมะคือสติสัมปชัญญะที่เราอาศัยมาทํามาในข้อดีข้อเสียมันจึงต่างกันไงทุกฝังความผูกพันที่อาศัยเรื่องของความจึงมีข้อเสียที่ตามหมายเกิดความสะดุ้ง ที่บอกว่าจะควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ยากเป็นลันกษณะของกิเลส ท, ที่ไม่เกิดความเศร้าหมองและไม่เกิดความสู้ผอมแห้งปากของใจแต่ถ้าบอกว่าอาศัยหลักธรรมแล้วเกิดความผูกพันกันรักใคร่กันกลมเกลียวกันแบบเนี้ยต่อให้บอกว่าถึงวันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเอออย่างน้อยก็ยังมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตใจของกันละกันก็จากกันไปด้วยดี หมายถึงความดีก็ยังมีอยู่รักษาอยู่ได้เลนี่นี่คือประการแรกทุกฝั่งเรื่องของฐานถัดมาหัวข้อที่สองคือเรื่องของปิยาวาจาตั้ใจคำนี้ปิยาวาจาหมายถึงวาจาที่พูดแล้วมันฟังให้เกิดแบบมีปิตินะเป็นวาจาอ่อนหวานฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วซาบซึ้งใจ ฟังแล้วให้เกิดความผูใจฟังแล้วมันมีความแบบว่าปลื้มใจหรือคำพูดที่อยู่นี่ก็มีนักพูดสร้างแรงบรรดาใจนะท่านฟังนักพูดสร้างแรงบันดานใจก็ลักษณะของปิยาวาจาหรือคำพูดบางอย่างมันเหมาะสมกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเออมันฟังแล้วมันก็ตรงรับกันนิทานเรื่องนี้ ประสบการณ์อันนี้ในเวลาอย่างนี้ฟังแล้วมันก็ดีใจพอใจปีติไงปิยะเป็นที่รักเป็นที่พอใจซึ่งถ้าเราจะอธิบายในเรื่องของเปียาวาจาก็ต้องเอาหลักของสัมมาวาจามาจับได้มาใช้ได้คำพูดนั้นก็ต้องไม่เป็นวาจาที่มาจากเจตนาในการที่จะโกหกหรือ ในการที่จะพูดยุยงให้แต่การพูดคำหยาบพูดเพ้อเชอร์เพราะฉะนั้นพอเราเออกหลักการเรื่องของสมมาวาจามันต้องมีเจตนามาด้วยนะระวั ง, งนะเพราะสมมาวาจาคือเจตนาเจตนาในการพูดที่จะเป็นอย่างนั้นอย่ น, นั้นที่จะให้กิเลสมันลดเจตนาในการพูดที่จะไม่ให้กิเลสมันกลับมากำเริบในใจิตใจของกลุ่มคนนั้น กิเลสในที่นี้คือมิจฉาในเองทุกฟังสัมมาหมายถึงความที่กิเลสเนี่มันลดลงใจกะว่าสัมมาได้มิจฉาหมายถึงความที่กิเลสมันเพิ่มขึ้นใจกะว่ามิจฉาได้เพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยมันจะมีสองชั้นตรงนี้ทุกฝังชั้นไร ก, กิด อ, อะไรก่อน ต, ตัวพูดพูดก่อนว่าแต่ว่าตัวผู้พูดเนี่ยพูดคําให้เกิดความรักใครกันกรจริงพูดคําให้เกิดแบบความ พอใจกันก็จริงลักษณะคําพูดนี่อ่อนหวานไม่เป็นคำหยาบ พ, พูดเหมาะแก่การไม่เพ่อเจอด้วยนะแล้วก็เป็นคําไม่โกหกแบบว่าก็เป็นเรื่องที่อย่างนั้นจริงๆอะ่ะเขียวก็คือเขียวดําก็คือดําเป็นหลักการที่ถูกต้องไม่ว่าจะเรื่องของการบัญชีเรื่องของทางวิศวกรรมแตจะพูดก็คือตูตามคําพูดแล้วมันก็เป็นวาจาจริงใช่ปะ แต่ถ้พูจากจิต ใ, ใจที่เจตนาแบบว่าฉันก็แถะๆไปก่อนนะอะคำว่าแถะๆไปก่อนนะี่คือพูดยังไงให้ดูดีไปก่อนนะแล้วก็หลักการเรื่องนั้นหลักการเรื่องนี้มาพูดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ว่าจะรักใครเขาจริงๆก็เอาว่าใช้แบบให้มันมีผลประโยชน์ร่วมกันได้เฉยอย่างงี้นะเปียะวิชามีไหมมีอยู่แต่ว่าไม่เต็มไงมีแต่อยู่ทางปากต่องมาทางใจไม่มีเพราะงั้น มีประโยชน์ไหมคือถ้าจะบอกว่าไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มันไม่ใช่นะทุกคนมันมีประโยชน์อยู่ตรงที่ว่าก็เหมือนเรื่องของทานุณมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่มันก็ยังผูกพันกันอยู่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันด้วยสิ่งของที่แลกเปลี่ยนกันอันนี้คือผลประโยชน์ร่วมกันด้เรื่องของวาจาเออฟังดูยังดีอยู่หแต่ว่าจิตใจมันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้าจะรักเขาจริงๆริลงกันจริงๆริหรือว่าก็พูดให้มันดูดีไปก่อนแค่นั้นเองเงนะ ในความผูกพันความกลุ่มเกลียวกันรักใคร่กันก็อยู่ได้แบบผิวเผินก็ประโยชน์ไม่เต็มที่จากผู้ที่พูดนั้นในทางตรงนันข้าต้องพูดกันมาบว่าด้วยความจริงใจนะเออตอนนี้ก็จริงใจกันพูดอย่างนั้นจริงๆจากใจจริงพูดมาแล้วด้วยความหมายงั้นจริงๆมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ให้กันจริงๆแล้วก็เรื่องที่พูดนั้นมาจากใจิตใจที่มีเมตตามีปัญญาจริงๆ ในความปรสานประโยชน์มันก็จะมีความเน่้นแฟนมากขึ้นมีความยึดเหนียวจิตใจกันไว้ได้มากขึ้นดีขึ้นสามารถที่จะสามัคคีกันร่วมรับกันได้อย่างดีมากขึ้นทีนี้ส่วนของผู้ฟังตูวฟังผู้ฟั ง, ฟ, งฟังสิ่งที่เป็นปิยปราชารฟังให้เกิดความภูใจดีใจที่ใจของผู้ฟังนี่ก็เปลีปล่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างเช่นเราฟังคําพูดอะไรที่มัน ดีเนี่ยเป็น motivational speaker ที่ามาพูดนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวบางอย่างภาพยนตร์บางเรื่องเราดูและแแมรู้สึกแบบเรื่มใจดีใจเรีหนัง feel g o o เนี่ยนะภาพยนตร์ที่ดูแล้วพอจบเรื่องแนละ้วรู้สึกว่าดีก็มีนะเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยดูจบแล้วรู้สึกว่ามันหดหู่ก็มีนะเออเรื่องที่ดูแล้วรู้สึกว่ามัน ฟูใจดีใจนี่งฟิลกูดเขาเรียกไงนนะแน่นอนว่าต้องมีปียาวาจายอยู่ในเรื่องนั้นแน่ทีนี้เราไม่รู้หรอกว่าคนพูดเนี่ยเขาพูดด้วยลักษณะแบบนั้นจริงๆมีความแมางจริ ง, รงๆหรือไม่แต่ว่าไอเราความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการประสานประโยชน์ได้ทำให้เกิดการที่จะลงกันได้สามัคคีกันได้อยู่ร่วมกันไปได้ทีนี้อย่างไรก็ตามตามฟังในกรณีของผู้ฟัง เฮ้ hey, บางทีบางคนก็พูดไม่เก่งนะบางทีบางคนพูดไม่เก่งที่จะบอว่าพูดวาจาให้เกิดความเข้าใจมีโอโ้พูดดีจริงๆเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะดูเฉพาะข้อนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะในสังการปรุตสีก็จึงมีข้ออื่นด้วยการกระทำทางกายมีการให้มีการบ ร, ริบรณ์ประโยชน์ก็ต้องดูด้วยเรื่องการพูดก็จึงเป็นความสามารถของผู้พูดด้วยแร้วก็เป็นองค์ประกอบภายนอกอย่างหนึ่ง ที่จะเห็นได้คือคนเราจะดูฉากภายนอกด้วยตาและหูกันได้ก็คำพูดนีนจุดหนึ่งการกระทำลงมือทำของเขานี่ก็จุดที่สองส่วนถ้าคุ้นเคยกันมากขึ้นก็จะออรู้ในข้อที่สามด้วยว่าไอเดียความคิดเขาเป็นยังไงลักษณะการมโนโกรรมเนี่กกกรกรกยก็ดูได้จากการกระทาทางกายคือดูได้จากการกระทำทางวาจาคือวิธีกรรม นี่ก็พอจะบอกเรื่องของมโนกรรมได้แต่นี่ก็ต้องดูทั้งหมดทุกอย่างนั่นแหละว่าที่ถ้าจะตรงข้ามกับปิยมาจ า, าคือมิจฉามารชาใช่หมถ้าบอกว่าคําพูดนั้นเนี่ยมันเป็นคําลวงโลกนะเจตนาเขาไม่ได้หมายความว่างอนนจริงๆแต่ก็พูดให้มันดูดีไว้ก่อนใช่ไหมอ่านี่คือผู้พูดนี่ไม่ได้มีปิยมาจาชาอย่างแท้จริงนะตรงนั้นมันก็ได้อยู่ในการที่จะ ประนประโยชน์พูดฟังดูดีรื่นหูหรูแต่อยู่ไม่นานไงพอมาภายหลังพบว่าอา่ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นนะี่นาดูจางไง่ดูจากการกระทํำทางกายไม่ได้ให้จริงๆพูดต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งรับหลังก็ อ, อีกแบบหนึง่งพูดกับคนนี้อย่างหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งโอ้อาการกระทําทางกายนี่บอกได้กว่าที่เปียาวาจานั้น มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆความประชานประโยชน์ก็อยู่ไม่ได้รงข้ามกันคือมิชาวาจาหรือคําพูดบางประการคือคนนี้เขาจริงใจอยู่ก็จริงนะแต่ว่าแหมพูดไม่เหมาะกับเวลานะพูดไม่เหมาะกับเหตุการณ์นี้นะเวลานี้มันไม่ควรจะพูดเรื่องนี้บางทีให้เครื่องได้นะดูฟังไปอีกฝ่ายหนึ่งนี่เรื่องที่พูดเนี่ยมันจริงอยู่ก็จริงนะเรื่องที่พูดเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะ แล้วก็เรื่องที่พูดนี่พูดด้ยวยอาจาที่ดีงามหมายถึงว่าเป็นคําพูดฟังดูก็ไม่ได้มีคำหยาบใดๆผู้พู ด, พดมีจิตเมตตาเป็นคนจริงใจมีเมตตาปรารถนาดีกับเราแต่ดานพูดผิดเวลามีปัญหาได้อีกเหมือนกันมันก็กลายเป็นฟังดูไม่ไม่พอใจละอ่ะตอนั้นที่มีองค์ประกอบอันอื่นอยู่ด้วยแต่พอผิดเวลาผิดกาละ แม่มันก็มีปัญหาแล้วก็ทําไม่เครื่องใจกันได้เพื่อนเราแต่งกันได้ก็เพราะวาจานี่แหละจึงบอกว่าอยู่กับมิตรนี่ต้องระวังวาจาถ้าพูดอะไรให้เครื่องใจกันมางทีก็ไม่ชอบกันคือเหยียบเท้ากันล้าเส้นกันเกี่ยวกเรื่องของวาจานี่พอมีวาจาล้าเส้นกันเหยียบเท้ากันอะันนี้ไม่เป็นปิศาจวาจาแล้วใช่ไหมเมื่อนั้นกลายเป็นทําให้แต่กันได้ เระจะเน้นสัมมาวาจาหรือปิยาวาจาเนี่ยมันไม่ได้กินความแค่ว่าโอเคพูดแล้วก็เป็นความจริงเท่านั้นเนีมันจรงต้องมีศิลปะของการพูดที่ออกมาจากใจด้วยการพูดที่ออกมาจากใจนั้นจะ้าไม่เป็นปิยาวาจาเป็นสัมมาวาจาได้นอกจากนี้ธรรมฝั่งพระบรุทธเาเนี่ยเก็ยังขยายความเรื่องของสัมมาวาจาให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนอกจากรายละเอียดสี่ประการตามในยะของมรแปดหนึ่งของสัมมาวาจา ในก็พูดบางประการถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมแนะคือไม่ต้องพูดก็ได้หรือแม้แต่ว่าถ้าพูดแล้วมันจะเกิดประโยชน์นะแต่มันยังไม่ใช่เวลาที่ควรจะพูดก็ดอย่าพูดก็ได้แต่ไปต้องรอเวลาไปก่อนตอนนี้นยังไม่ถึงเวลาเวลาก็มามีส่วนสําคัญเรื่องการละเรื่องของประโยชน์ เรื่องของผู้ฟังว่าเขาพร้อมที่จะฟังตอนนี้ไหมมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เราต้องไตรตรองใคร่ครวญคิดพิจารณาพี่ต้องคิดก่อนผู้นั้นเองพูดโดยไม่คิดนี่มีปัญหาได้ต้องคิดก่อนที่จะพูดประชาชสังเกตดูได้จุดหนึ่งตามมาบอว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำํำไม่ ว, ว่าจะ น, นําในระดับไหนก็ตามนี่เขาก็ต้องมีปียวาชาให้เกิดขึ้นได้าจะไม่ได้พูดมากนะ ปิยวาจานี่ไม่ได้หมายว่าพูดมากพูดเยอะพูดเก่งนะไม่ได้คือเท่านั้นแต่จะพูดไม่มากแต่คําพูดเนี่ยมีปิยวาจาเวลาพูดครั้งหนึ่งเนี่ยคนฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ซาบซึ้งใจพูดไม่เก่งหรอกแต่เวลาพูดแต่ละครั้งนี่แม่ฟังมันดีนะหรือบางคนพูดเก่งเราสามารถพัฒนาทักษะในการพูดนี้ให้เป็นปิยวาจาได้ คือการพูดเก่งหรือพูดเป็ น, นมันต่างกันระวังพูดเก่งคนน้อฝึกได้แต่ว่าจะพูดเก่งแล้วเป็นปิยาวาจาเป็นสมมาวาจาไหมไม่แน่แต่ถ้ามีปิยาวาจาเป็นสมมาวาจาแล้วอาจจะพูดไม่เก่งก็ได้แต่เก่งในที่นี้คือพูดได้มากพูดได้คาฟังรู้รื่นหูมันต้องดูเจตนาดูประโยชน์ดูเรื่องของการละเทสะและหลายอ ย, าอย่างที่ว่าไปแต่มาทัง้งฝั่ง ในประการที่3เรื่องของการประพฤติประโยชน์อัตจริยาประพฤติประโยชน์ในที่นี้หมายถึงการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะตั้งแต่ระดับกว้างขวางทําโดยแบบเป็นสาธารณประโยชน์เป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือคนชราช่วยงานนั้นงานนี้ของสังคมเก็บความทาความสะอาดนั่นนี่นี่ก็แบบหนึ่งหรือแม้แต่ว่า ระหว่างบุคคลจะมีปริยาเพื่อนสองคนเพื่อนบ้านกันคือช่วยเหลือกันในด้านหนึ่งๆแต่เราดูในสังคมชนบทสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะเขาก็จะมีการช่วยกันเช่นลงแคคเกี่ยวข้าวก็คือรวบรวมกันในหมู่บ้านนี้ไปเกี่ยวข้าวด้วยกันช่วยกันโดยที่ไม่ได้รับเงินคือไม่ได้รับทานแต่ฉันช่วยเธอเธอก็ไปช่วยฉันด้วย การผลริติประโยชน์บบนี้ก็จึงจะไม่หมู่บ้านนี้อยู่ได้นะว่าเป็นสังคมที่ช่วยเหลือกันไม่ได้ว่าจะต้องมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันหรือให้ทานสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าด้วยการผลริติประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่บอกอาจจะไม่ได้มีเงินมากไม่ได้มีสิ่งของที่ฉันจะให้ทานคือทานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสิ่งสําคัญอะไรเป็นเล็กๆน้อยก็ได้นะเป็นการให้เป็นการเสียสละกันแต่ทีนี้ถ้าแบบเป็นแรงเป็นความช่วยเหลือ แบบอื่ๆที่ไม่ใช่สิ่งของใช่ไหมมันก็จะมาตกลงในข้อนี้ไงตกลงในข้อของอัตธจธริยาคือการที่ประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือไม่ว่าจะกําลังกายกําลังความคิดหรือกําลังปัญญาหรือทักษะอันใดอันหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือกันได้นี่ก็เป็นอัตจริยาซ่งถ้าเราดูในทางังมันก็ด้วยกันกับเรื่องของฐานด้วยนั่นแหละแต่ว่าทานเนี่ยจะเน้นมาเรื่องของปัจจัยสี สิ่งของข้าของใช่ไหมแต่พอเป็นประโยชน์เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เป็นสิ่งของเข้าของเออเราก็จะเรียกว่าอัตชริยาอีกใ น, นยะหนึ่งหน่งฝังดีครุบาจารย์นักปราชญาบัณฑิตในสมัยก่อนท่านแจกแจงไว้เพิ่มเติมก็คือว่าวาจาคือเปียาวาจาใช่ป่ะ ข, ของสิ่งของมันอยู่ฐานใช่ป่ะทีนี้เรื่องอื่นที่เหลือเนะี่ยเออมันก็เป็นกายกรรมแล้วก็มโนโกรรมไง กายกรรมโนกรรมก็จะมาใส่อยู่ในส่วนของปัจจริยานี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะประพฤติประโยชน์การกระทำนั้นก็จะต้องไม่เป็นการฆ่าสัตว์ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์ไม่ใช่เป็นการประพฤติผิดในกา ร, รนี่คือกายกรรม3อย่างที่ดีหรือการจะช่วยเหลือกันติดใจนะก็ต้อง ไม่ใช่ว่าโลภอยากได้ของคนอื่นไ่เพลงเลงการกระทำนั้นก็ไม่ใช่ต้องด้วยความพยาบาทต้องไม่ใช่มิชาทิฏฐิแต่เป็นสมาธิทิฏฐิการกระทำช่วยเหลือกันนั้นด้วยเจตนาแบบนี้ก็เป็นมโนสุจริตก็เอเรื่องของกายสุจริตมโนสุจริตมาใส่ไว้ในอัตจริยาเรื่องของวจีสุจริตก็อยู่ในปิยาวาจา เรื่องของทานในเกิดใจสิ่งของเข้าวของภายนอกเป็นตัวให้ทีนี้ถ้าบมว่าเรามาดูในบริบทขององค์กรบริษัทเนี่ยนะอาธิชโยริยานี่คือทําตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้อย่างดีทำตามหน้าที่เช่นมาเขาจ้างงานคุณคุณเป็นลูกจ้างให้ทำหน้าที่นี้เอ่เรามีทานใช่ไหมสิ่งของเข้าของที่แลกเปลี่ยนกะะันะ พอใหเงินเราโอเคเราก็ทํางานทํางานก็พูดกับเพื่อนร่วมงานให้มันดีด้วยนะปิยบอาชาใช่ปะพูดกับคนหน้าให้มันดีด้วยนะมีปิยบาอาชานะพูดกับลูกน้องให้มันดีด้วยนะมีปิยบอาชานะการทํางานตามหน้าที่ของเราให้มันได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์เออนี่เป็นอาถรรพยาคือ ง, งานบางอย่างเนี่ยไฟังก็ถูกจ้างงานอยู่แต่ว่าในสิ่งที่เราทําเนี่ยไม่รู้ว่ามัน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมในบ้านเมืองในบริษัทในองคอ์กรยังไงอ่ะคือทีว่าอะไรที่เราทําวันเนี้จะทําหรือไม่ทําแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์ต่อสังคมต่อบริษัทต่อคนรอบข้างยังไงเลยเองานนั้นมันไม่ใช่อาถริยานะไม่ใช่เป็นการปรรลุประโยชน์อันนี้ไม่ใช่เหมือนว่างานเล็กๆน้อยๆหรือว่างานต้องสําคัญสาคัญอะไรไม่ใช่งานแนวฝัง เอาอย่างแคว่างานกวาดพื้นเช็ดถนนทําความสะอาดนี้มัวแต่สู้เป็นงานเล็กน้อยอาจ้ารไม่เท่าไหร่เอาแต่มันมีผลดีต่อคนรอบข้างมีประโยชน์เป็นอัตถะเป็นการกระทําที่ดีต่อคนกลุ่มนั้นในสังคมนั้นในบริเวณนั้นนะ่ะงานที่เราจะดูเหมือนว่าเล็กน้อยแต่ว่าเออมันเป็นประโยชน์มีนะ แต่ว่างานที่บางติยากเช่นเขียนโปรแกรมเนี่ยเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดเติบทําเว็บไซต์เดบดรอปซอฟต์แวร์นั่นนี่เนี่ยมไม่ใช่เป็นงานง่ายๆนะตัวซอฟต์แวร์ที่สร้างมาเว็บไซต์ที่ทําไปไ ม, ไ, มไม่รู้ไม่ใช้ไงไม่จะเกิดประโยชนยังไงเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากยังไงเขาจะเข้ามาใช้ยังไงต่อให้ UI UX หรือว่าการดีไซน์ออกแบบมันดีปานใดก็ตามแต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์เนีไย มัไม่เกิดประโยชน์งานนี้ยากนะมันไม่ใช่อัตจริยานะมันไม่ใช่เป็นการที่บบว่าจะปลื้มประโยชน์ไม่ได้เป็นการที่จะช่วยเหลือกันนะทำงานยากอยู่แต่ว่าแล้มันเกิดประโยชน์ยังไงหรือจะจะพูดยังไงคือขายไม่ออกไม่มีคนใช้หรือถ้าพูดในที่นี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ดูที่ว่า ง, งานนั้นมันง่ายหรือว่างานมันยากแต่ดูที่ประโยชน์ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายเพราเราดูตรงประโยชน์แล้วก็ทําให้มันได้ประโยชน์เป็นผลทั้งสองฝ่ายนี่การกระทำแบบนี้มันจึงดีเพราะมันก็กลับมาที่ประโยชน์กันทุกฝั่งพระเจ้าจึงเคยพูดไว้ในช่วงของสมการชีวิตอยู่ตอนหนึ่งนี่นะว่าคนเรามันก็อยู่ด้วยกันที่ผลประโยชน์นะที่ผลประโยชน์ เราอย่าไปเอาตรงกางไงอย่าไปเอาตรงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปเอาเพียงฉาบฉวยผิวเผินเรื่องของรูปเท่านั้นแต่ให้เกิดประโยชน์ยั่งยืนประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในเวลาต่อมาประโยชน์ในเวลาต่อมาต่อมาอีกประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์ที่ยั่งยืนประโยชน์ปัจจุบันคือต้องต้องดูให้มันหมดให้ได้ประโยชน์ที่ลึกซึ้งให้ได้ประโยชน์ที่ต่อเนื่องยาวนาน ผลประโยชน์แบบนี้มันหึงจะดีผลประโยชน์ชนิดที่เรียกว่ามาตามมักแปดนั่นเองท่านฟังแต่ผลประโยชน์อะไรที่มันเป็นทางการไม่เป็นไปมามักแปดนั้นไม่ดีแต่ผลประโยชน์อะไรที่เนน ก, เกิดขึ้นอาศัยมักแล้วผลประโยชน์นั้นดีแน่นอนคมอบางคนิว่ า, วาเอ้ฉันทำความดีมันจะมีประโยชน์อะไรสังคมนี้มันไม่ดีแล้วทุกคนทําความชั่วกันหมดไม่จริงนะท่านฟังน้ําทะเลใครว่ามันเต็มอยู่เสมอแล้วก็ แถ้าไม่มีฝนหยดมาสักหยดหนึ่งน้ำทะเลก็จะพร่องไปแต่จริงๆแล้วทะเลเนี่ยรับหมดน้ำจะน้อยจะมากมีผลเข้าสู่ทะเลได้หมดแต่พไม่มีน้ำหยดหนึ่งเนะมันจะไม่มีทะเลได้ไงไม่ได้ทะเลเกิดขึ้นได้ เ, เพราะว่าก็มาจากน้ำหยดเดียวยไหลมารวมกันถ้าขาดน้ำสักหยดหนึ่งขาดน้ำสักหยดหนึ่งทะเลมันก็มีอยู่ไม่ได้นะ ฝนตกบนภูเขาหนุ่นไกลไกลนุ ied, ่นฝนตกเม็ดเดียวสะสมเข้าสะสมเข้าสอกเขาสอกผาอะไรก็เต็มขึ้นมาใช่ปะสอกเขาสอกผาเต็มขึ้นฝนยังไม่หยุดนะก็ทีละเม็ดเนี่ยแหละน้าทีละหยดเบึงน้อยบึงใหญ่ก็เต็มขึ้นแม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่ก็เต็มขึ้นมหาสมุทรนก็เต็มขึ้นมาได้เพราะว่าก็ทีละหยดทีละน้อยประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อย เรื่องที่ไม่สําคัญบางทีเราพิจารณาไว้เนี่ยบางทีมันสาคัญอยู่นามีประโยชน์อยู่นางานง่ายๆแต่มีประโยชน์เออเอาเน้นมาทําก่อนสำนวนก็ก็จะอธิบายด้วยคําว่ายาปากคอบยาที่มันอยู่ง่ายๆเอาง่ายๆสะดวกเอามาใช้งานก่อนเอามาทําก่อนเอามาปฏิบัติก่อนก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นดันดีถ้าเกิดในเรื่องของอตัตตาจริยาดำวังมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่แต่มในหัวข้อสุด้ย คืองของสมานตตตาคือความมีตนเสมอกันนันตตาก็มาจากอตตาอยู่ตัวตนใช่ปะเสมอกันในที่นี้เธอจะแปลเป็นสะทายก็คือหมายถึงความเสมอต้นเสมอปลายความเสมอต้นเสมอปลายก็หมายถึงถ้าดียังไงมันอาจจะเป๊ะไปบ้างนะนะกลับมาดีเหมือนเดิมในบางกรุบะอาจารย์ท่านก็จะแปลว่าความมางตนเสมอกัน ก็จะมีความหมายที่แยกไปเป็นคุณลัญญาเลยทัง้งหมถ้าความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยหมายความว่าเราก็รักษาความดีของเราให้มันอยู่ได้ตลอดหรือเพื่อนคนนี้แมเขบกันมาดีๆแต่ทำไมเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนั้นเอ๊ถ้าบอกว่าเราจะเสียความดีของเราไปอ่ะ น, นันไม่ดีนะเราก็ให้เสมอต้นเสมอปลายก็คือเขต้องรักษาความดีของเร า, เาไว้อยู่เหมือนเดิมที่จะสอดคล้องในหลักถ้ามอีกข้อหนึ่งก็คือ การอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวียนย่อมไม่ระงับด้การจองเวนอยาเห็นแก่สั้นก็คืออย่าแตกราวจากมิตรให้เร็วนักอยาเห็นแก่ยาวก็คืออย่าจองเวีนให้ยุ่ยเยอะถ้าสมมติว่าคนณั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะแตกจากเขาเราจะเปลี่ยนแปลงไปจากเขาควรจะให้มีความสม่ำเสมอวางตนเสมอกัน เพราะว่าถ้ามิตรเนี่นะเกิดเป็นศัตรูเลยนะโอ้จะเป็นศัตรูที่รายกาจมากเลยถูกไหมเพรา ะ, ะมันรู้ใส่รู้กรงเราหมดอ่ะรู้ทุกอย่างทุกข้อของเราหมดอ่ะโอ้ถ้าไปอยู่กับศัตรูนี้แย่เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอ้ยเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วไม่ลงกันแล้วยังน้อยก็อย่าเป็นศัตรูกันในการที่เสมอต้นเสมอปลายสมาธิต่างๆจะช่วยข้อ น, นี้ได้ โดยความคือว่ า, วาราก็เห่ายังพูดดีกันเหมือนเดิมยังมีการให้ทานให้ของเหมือนเดิมแต่การที่จะคุกคลีกันอะไรกันอาจจะไม่เหมือนเดิมละเวลาเปลี่ยนแปลงไปการงานเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าก็ไม่เป็นศัตรูกันไงในกรณีจะช่วยได้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะพระปุษยชาตินเกคยโ ย, โยกเรื่องของคนเล่นกายกรรมทีมีคนหนึ่งเอาไม้ไผ่ตั้งขึ้นอยู่บนศีรษะหรืออยู่บนอกของตอนแล้วก็หิ้คนหนึ่ง ขึ้นไปประคองตัวทรงตัวอยู่บนลำไม้ไผ่ถือถาดน้ํามันบ้างถือลูกบอลบ้างเป็นลักษณะของการเล่นกายกรรมซึ่งคือเขาต้องรักษาทั้งตนเองทั้งคู่ด้วยรักษาซึ่งกตนลกันการที่เราประพฤติสม่ําเสมอการประพฤติสม่ำเสมอที่รักษาทั้งตนเองรักษาทั้ตัวเขาด้วยรักษาทั้งตัวเองที่อยู่ในหลักธรรมใช่ไหม เราไม่นี้ออกห่างจากหลักธรรมบริบัติธรรมอยู่มนีตีสัมพัญญยาอยู่เป็นการรักษาตัวเขาที่เราไม่ได้ไปทิ้มแทงเบียดเบียนด่าว่าพูดให้ร้ายไม่มีรักษาตั้งตนและรักษาทั้งผู้อื่ น, หนเหมืนกับเล่นกายกรรมนี้การวางตนเสมอการการที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในความดีที่เราทําอันนี้เป็นสิ่งที่ดีรักษาตั้งตนเองและผู้อื่นด้วย ส่วนในเยยะที่ว่าการวางตนเสมอกันคือให้เหมาะสมกับฐานะของตนเองนี่คือเนยยะที่สองของสมณตะตาให้สมกับฐานะของตนเองในเรื่องของการงานภาวะบุคคลสถานการณ์รกำหนดกำเนียมประเพณีอย่างเช่น ว, ว่าระหว่างอาจารย์กับศิษย์หรือาจารย์ก็มีหน้าที่สอนใช่ไหม ลูกศิษย์ก็มีหน้าที่ลุกขึ้นยืนรับคอยรับใช้ต่างๆถ้าว่าลูกศิษย์นี่ทำเกินหน้าที่นั่ก็คือว่าบางตนไม่เสมอไม่ถูกต้องละเช่นตีเสมอครูอาจารย์ล้าเส้นบางอย่างไม่ทำงานที่ควรทำอันนี้คือมีตนไม่ถูกต้องกับหน้าที่ของตนละหรือครูอาจารย์คอยสอนคอยดูแลคุ้มครองให้ในที่ั้งปวง แต่ว่าเดินไปทำหน้าที่ของคู่ครองมันก็ไม่เหมาะสมละไม่ถูกต้องตามฐานะของตนหรือระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องลูกน้องก็ทางานอย่างเต็มที่หัวหน้าก็ให้ทำงานตามกำลังที่ถ้าหัวหน้าไปทำงานของลูกน้องหรือลูกน้องมาทำงานของหัวหน้าการปฏิบัติมันก็ไม่เหมาะสมละไม่สม่ำเสมอกันลักในอาตาัตราคือตัวตนของตนนั้ น, น, น อ่าไม่เหมาะสมกับ ง, งานมันก็ไม่ถูกต้องเรื่องนี้ก็ต้องรวมถึงเรื่องของการเทศาด้วยผู้น้อยผู้ใหญ่ด้วยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยเช่นเพื่อนกันสองคนอย่างงี้รู้จักกันมาตัง้งแต่เด็กแต่ว่าคนหนึ่งนี่ไปรับราชการเติบโตขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประดับเป็นประหลัดกระทรวงเป็นนายพลพลตรีพลเอกอย่างเงี้ยนะ แล้วก็อยู่ในหน้าที่การงานอยู่กําลังทํางานอยู่ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้มีการศึกษาสูงเท่าไหร่อย่างไรก็ทํางานธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาบางทีเจอกันมันอยู่ที่บรทบละ่ะแต่เจอกันที่สํานักงานของเพื่อนคนแรกแล้วก็แบบว่าทําไม่ถูกการรัเทนะสนะยังใช้คําไม่ถูกบ้างเข้าหาไม่ถูกตามระบบของเขาอันนี้ก็จะเรียกว่าไม่เหมาะสมกับฐานนะ แต่ถ้รู้จักเข้าหาให้เหมาะสมกับความที่ว่าเขามียศตำแหน่งสูงทํางานแบบนี้แบบนี้ให้เหมาะสมกันเออนี่คือก็รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับฐานะจะแปลในในิยาม น, นี้ก็ได้ทางฝั่งนี้คือนิยามที่2องเรื่องของสังคาหวัตถุสนี้ําหวังข้าพเจ้าได้ไฮไลท์ไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนับว่าเป็นธรรมะที่จะประชนันประโยชน์ทําให้เกิดความส้ำซคคีกัน ทั้งในระดับบุคคลระดับชุมชนแล้วก็ระดับประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศกันได้เลยตรงไหนที่เขาลงกันรับกันได้สามัคคีกันได้ต้องมีคุณธรรมสีข้อนี้อยู่แน่นอนคุณฟังลองพิจารณาดูนะว่าในบริษัทเราในหน่วยงานเราในโครงการเราตรงไหนมันยังมีข้อบกพร่องอยู่ที่ว่ามันยังไม่ไแบบสามัคคีกันเต็มที่นะทีมงานทํำไมเป็นอย่างนี้เอาสีข้อนี้แทรกเข้าไปใช้ลงไป ทีมงานนั้ น, นจกพัฒนาดีสา ม, มีขี่กันขึ้นมาได้แน่นอนด้วยังในช่วงของไต่ร่มพริธบทนั้นก็จะมาพบกับตุ่มฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตุมฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์กับประชาปราบมาไปบูนพี่ปุณโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสปัท